ภิกษุ่อเป็นนี้ไม่ต้องอบัตคือ437 1. ภิกษุกล่าวว่าเราจักรู้จักศึกษา 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติาสหาธรรมิ ก, กาสศึกาบทที่หนึ่งจบ